วาระอนุโลมจกขุนทิริยมูลกะใน451อนุบุคคลใดจักกําหนดรู้จากขุนสี่บุคคลนั้นก็จักละโทมนสินสีใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกจะกําหนดรู้จากขุนสีแต่ไม่ใช่จักละโทมนาสินสีบุคคลห้าจำพวกจะกําหนดรู้จากขุนสี่แล้วก็จักละโทมนาสินสีปฏิบุคคลใดจักละโทมนาสินสี บุคคลนั้นก็จะกําหนดรู้จากขุนศีใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดจะกําหนดรู้จากขุนศีบุคคลนั้นก็จะเจริญอนัญญาตัญญสามีตินเตใช่ไหมวิบุคคลหกจำพวกจะกําหนดรู้จากขุนศีแต่ไม่ใช่จากเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลเหล่าใดเป็นปู้ทุชนจากได้มักบุคคลเหล่านั้นจะกําหนดรู้จากขุนศีแล้วก็จากเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสี บุคคลใดจกเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็จะกำหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดจะกกำหนดรู้จากขุนสีบุคคลนั้นก็จะเจริญอันยินสีใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกจะกำหนดรู้จากขุนสีแต่ไม่ใช่เจริญอันยินสีบุคคลห้าจำพวกจะกำหนดรู้จากขุนสีแล้วก็จเจริญอันยินสีปฏิ บุคคลใดจักเจริญอัญญีสีบุคคลนั้นก็จักกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดจักกำหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินรี์ใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลใดจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินรี์บุคคลนั้นก็จักกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลิงด้วยอรหัตมรักจักทำให้แจ้งอัญญาตาวินรี แต่ไม่ใช่จกกักกําหนดรู้จกักขุนศรีบุคคลเจ็ดจำพวกจักทําให้แจ้งอัญญาตาวินศรีแล้วก็จกกักกาหนดรู้จกักขุนศรีจะขุนธริยมูลกะในจโจรโทมนสินธริยะมูลกะในสี่ร้อยห้าสิบสองอนุบุคคลใดจักละโทมนสินสีบุคคลนั้นก็จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิบุคคลสี่จำพวกจักละโทมนสินสี แต่ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสี 4. บุคคลเหล่าใดเป็นปุตุชนแต่จักได้มักบุคคลเหล่านั้นจักละทโทมนสินสีแล้วก็จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีปฏิบุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็จักละโธมนสินสีใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดจักละโทมนสินสีบุคคลนั้นก็จักเจริญอันยินรีใช่ไหม วิใช่ปฏิบุคคลใดจากเจริญอันยินรี่บุคคลนั้นก็จักรละโทมนาสินสีใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกจากเจริญอันยินรี่แต่ไม่ใช่จักรละโทมนาสินสีบุคคลห้าจำพวกจากเจริญอันยินรี่แล้วก็จักรละโทมนาสินสีอนุบุคคลใดจักรละโทมนาสินสีบุคคลนั้นก็จักทาให้แจ้งอัญญาตาวินสี่ใช่ไหมวิใช่ปฏิ บุคคลใดจักทำให้แจ้งัญญาตาวินศีบุคคลนั้นก็จักละโทมนสิน4ีใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกจักทำให้แจ้งอัญญาตาวิ 4, นศีแต่ไม่ใช่จักละโทมนสินศีบุคคลห้าจำพวกจักทำให้แจ้งอัญญาตาวิ 4, านศีนล แ, นาา 4, แล้วก็จักละโ ท, โทมนสิน4ีโทมนสินธริยมูลกะในจบอนัญญาตัญญาสามีตินธริยมูลกะในสี่ร้อยห้าสิบสามอนุ บุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญาสมาตินีตินสีบุคลบคลนั้นก็จักทำให้แจ้งอันยินรียใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดทำให้แจ้งอันยินรียบุคคลนั้นก็จักเจริญอนัญญาตัญญาสมาตินีตินสีใช่ไหมวิบุคคลหกจำพวกทำให้แจ้งอันยินรียแต่ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญาสมาตินีตินสีบุคคลเหล่าใดเป็นปุตุชนจักได้มรรคบุคลบคลเหล่านั้นทำให้แจ้งอันยินรีย แล้วก็จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีอนุบุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็จักทาให้แจ้งอนญาตาวินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดจักทาให้แจ้งอนญาตาวินสีบุคคลนั้นก็จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิบุคคลเจ็ดจําพวกจักทาให้แจ้งอนญาตาวินสีแต่ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสี บุคคลเหล่าใดเป็นปุถุชนจักได้มักบุคคลเหล่านั้นจักทาให้แจ้งอญญาตาวินสีแล้วก็จักเจริญอนัญญาตัญญสามีเตณรีอนัญญาตัญญสามีเินทริยมูลกะในจบอนยินทริยมูลกะใน4ี่อห้าสอนุบุคคลใดจักเจริญอนันยินรีบุคคลนั้นก็จักทาให้แจ้งอน ญ, ญาตาวินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิ บุคคลใดจกทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็จะเจริญอัญญินรียใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักษ์จะทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีแต่ไม่ใช่จกเจริญอัญญินรีบุคคลเจ็ดจำพวกจกทำไม่แจ้งอัญญาตาวินสีแล้วก็จกเจริญอัญญินรีอัญญินทริยมูลกะในจบ เจเนกะจากขุนทุริยมูลกะใน455อนุบุคคลใดไม่ใช่จักกําหนดรู้จากขุนสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักละโทมนาสินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่จักละโทมนาสินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกําหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จักละโทมนาสินสีแต่ไม่ใช่จักไม่กําหนดรู้จากขุนสี บุคคลสามจำพวกไม่ใช่จกักระโธมะสินสีแล้วก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนสีอนุบุคล i, บ ค, บ ค, ลบคลใดไม่ใช่จักกำหนดรู้จักข Ges ุนสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิ บุคคลหกจำพวกไม่ใช่จากเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีแต่ไม่ใช่จากไม่กำหนดรู้จากขุนสีบุคคลสามจำพวกไม่ใช่จากเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีและไม่ใช่จากกำหนดรู้จากขุนสีอนุบุคคลใดไม่ใช่จากกำหนดรู้จากขุนสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเจริญอันยินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่จากเจริญอันยินสี บ, บ, บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกําหนดรู้จักขุนสีใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จักเจริญอัญญสีแต่ไม่ใช่จักไม่กําหนดรู้จักขุนสีบุคคลสามจำพวกไม่ใช่จักเจริญอัญญสีแล้วก็ไม่ใช่จักกําหนดรู้จักขุนสีอนุบุคคลใดไม่ใช่จักกําหนดรู้จักขุนสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมัก ไม่ใช่จากกําหนดรู้จากขุนศีแต่ไม่ใช่จากไม่ทําให้แจ้งอัญญาตาวินศีบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จากกําหนดรู้จากขุนศีแล้วก็ไม่ใช่จากทําให้แจ้งอัญญาตาวินศีปฏิบุคคลใดไม่ใช่จากทําให้แจ้งอัญญาตาวินศีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากกําหนดรู้จากขุนศีใช่ไหมวิใช่จากขุนททียโมลกะในจบโสมณสินทริยโมลกะใน สีอ่อหอนุบุคคลใดไม่ใช่จกักละโทมนสินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักละโธมนสินสีใช่ไหมวิบุคคลสี่จำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีแต่ไม่ใช่จักไม่ละโธมนสินสีบุคคลห้าจำพวก ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีแล้วก็ไม่ใช่จักระโทมณสินสีอนุบุคคลใดไม่ใช่จักระโทมณศินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอันยินสีใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จักระโทมณศินสีแต่ไม่ใช่จักไม่เจริญอันยินสบุคคลสามจำพวกไม่ใช่จักระโทมณสินสีแล้วก็ไม่ใช่จักเจริญอันยินสีปฏิ บุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอัญญสี บ, บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักรละโธมนสินสีใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดไม่ใช่จักรละโทมนสินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทธรรมิแจ้งัญญาตาวินรี์ใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกไม่ใช่จักรละโทมนสินสีแต่ไม่ใช่จักไมรธรให้แจ้งัญญาตาวินรีบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จักรละโทมนสินสี แล้วก็ไม่ใช่จกักทําให้แจ้องอัญญาตาวินศีปฏิบุคคลใดไม่ใช่จกักทําให้แจ้งอัญญาตาวินศีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกักละโทมณสินศีใช่ไหมวิใช่โทมณสินทรียมูลกะในจบอนัญญาตัญยสมาตรินทรียมูลกะในส้อยห้าสิบเจ็ดอนุบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญยสมาตรินรีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญรียใช่ไหม วิบุคคลหกจำพวกไม่ใช่จากเจริญอนัญญาตัญญาสมาตินีสีแต่ไม่ใช่จากไม่เจริญอัญญีสีบุคคลสามจำพวกไม่ใช่จากเจริญอนัญญาตัญญาสมาตินีสีแล้วก็ไม่ใช่จากเจริญอัญญีสีปฏิบุคคลใดไม่ใช่จากเจริญอัญญีสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเจริญอน 4, ัญญาตัญญาสมีตินีสีใช่ไหมวิใช่อ น, นุบุคคลใดไม่ใช่จากเจริญอนัญญาตัญญาสมาตินี บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินศี 4, ใช่ไหมวิบุคคลเจดจำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินศี 4, แต่ไม่ใช่จักไม่ทําให้แจ้งอัญญาตาวินศีบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินรีแล้วก็ไม่ใช่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินศีปฏิบุคคลใดไม่ใช่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินศี บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิใช่อนัญญาตัญญสามีตินทริยะโมลกกะในจกอันยินทริยะมูลกกะใน458อนุบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอันญญสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลืองด้วยอรหัตมรักไม่ใช่จักเจริญอันญญสี แต่ไม่ใช่จักไม่ทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลสองจำพวกไม่ทช่จักเจริญอัญญินสีแล้วก็ไม่ใช่จักทำไม่แจ้งอัญญาตาวินสีปฏิบุคคลใดไม่ที่จักทำไม่แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิใช่อัญญทลิยมูลกะในจบ ปัจุปันนาตีตวาระอนุโลมจากขุนธริยะมูลกะใน4ีน่อยห้าสิเกอนุบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จากขุนสี่บุคคลนั้นก็เคยละโทมนสินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดเคยละโทมนาสินสีบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกเคยละโทมนสินสีแต่ไม่ใช่ก ำ, กำลังกำหนดรู้จากขุนสี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 แต่ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนศีบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมักเคยเจริญอนัญญาตัญญสามีจินศีแล้วก็กําลังกําหนดรู้จากขุนศีอุบุคคลใดกําลังกําหนดรู้จากขุนศีบุคคลนั้นก็เคยเจริญอันญินศีใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดเคยเจริญอันยินศีบุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้จากขุนศีใช่ไหมวิไม่ใช่อนุ บุคคลใดกําลังกําหนดรู้จากขุนศีบุคคลนั้นก็เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินศีใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดเคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินศีบุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้จากขุนศีใช่ไหมวิไม่ใช่จากขุนทียะมูลกระไนจบโทมนสินเทียะมูลกะไนศรีร้อยหกสิบอนุบุคคลใดกําลังละโทมณ ส, สินศี บุคคลนั้นก็เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็กำลังละโทมนสินสีใช่ไหมวิบุคคลหกจำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีแต่ไม่ใช่กำลังละโทมนสินสีบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอนาคามิมัติเคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีและก็กำลังละโธมนสินสี อนุบุคคลใดกําลังละโทมณสินสีบุคคลนั้นก็เคยเจริญอัญญรีใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดเคยเจริญอัญญรีบุคคลนั้นก็กําลังละโทมณสินสีใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดกําลังละโทมณสินสีบุคคลนั้นก็เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินรี์ใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดเคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินรีย์ บุคคลนั้นก็กําลังละโทมณสินสีใช่ไหมวิไม่ใช่โทมณสินทะริยะมูลกะในจบปานัญญาตัญญาสามีตินทริยะมูลกะใน461อนุบุคคลใดกําลังเจริญอนัญญาตัญญาสามีตินสีบุคคลนั้นก็เคยเจริญอันญญสีใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดเคยเจริญอันญญสี บุคคลนั้นก็กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินรีย์ใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดกําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินรียบุคคลนั้นก็เคยทําให้แจ้งอนัญญาตาวินสีใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดเคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสียใช่ไหมวิไม่ใช่อนัญญาตัญญสามีตินทะริยะโมลกะในจบ อันญินตริยมูลกระใน462อนุบุคคลใดกำลังเจริญอัญญีสี บ, สออบุคลบคลนั้นก็เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดเคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็กำลังเจริญอัญญีสีใช่ไหมวิไม่ใช่อันยินตริยมูลกระในจบ เจเนกจากขุนทริยมูลกะใน463อนุบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขุนสี่บุคคลนั้นก็ไม่เคยละโทมนาสินสีใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขุนสี่แต่ไม่ใช่ไม่เคยละโทมนาสินสีบุคคลหกจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขุนสี่แล้วก็ไม่เคยละโทมนาสินสีปฏิ บุคคลใดไม่เคยละโทมนาสินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขุนสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิบุคคลหกจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขุนสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลสองจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขุนสี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 ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขุนศีแล้ว ก, ไ Ori, วกไ็ไม่เคยเจริญอันยินศีปฏิบุคคลใดไม่เคยเจริญอันยินศีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขุนศีใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักไม่เคยเจริญอันยินศีแต่ไม่ใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จากขุนศีบุคคลเจ็ดจำพวกไม่เคยเจริญอันยินศีแล้วก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขุนศีอนุ บุคคลใดไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนศีบุคคลนั ok windows, ้นก็ไม่เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินศรีใช่ไหมวิอรหันตบุคคลไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนศีแต่ไม่ใช่ไม่เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินศรีบุคคลแปดจำพวกไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนศรีแล้วก็ไม่เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินศรีปฏิบุคคลใดไม่เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินศรีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนศรีใช่ไหม วิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมักไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีแต่ไม่ใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จากขุนสีบุคคลแปดจำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีแล้วก็ไม่ใช่คนกำังกำหนดรู้จากขุนสีจากขุนธริยมูลกะในจบโทมนาสินธริยมูลกะในสี่ร้อหกสิบสี่อนุบุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนาสินสี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 วิใช่อนุบุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนสินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอัญญสีใช่ไหมวิอรหันตบุคคลไม่ใช่กำลังละโทมนสินสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยเจริญอัญญสีบุคคลเจ็ดจำพวกไม่ใช่กำลังละโทมนสินสีแล้วก็ไม่เคยเจริญอัญญสีปฏิบุคคลใดไม่เคยเจริญอัญญสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละโทมณสินสีใช่ไหมวิ บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักไม่เคยเจริญอันยินรีแต่ไม่ใช่ไม่เคยกำลังละโทมนาสินสีบุคคลเจ็ดจมพวกไม่เคยเจริญอันยินรีและก็ไม่ใช่กำลังละโทมนาสินสีอนุบุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนดสินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิอรหันตบุคคลไม่ใช่กำลังละโมนาสินสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสี บุคคลแปดจำพวกไม่ใช่คำลังละโทมนสินสีแล้วก็ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีปฏิบุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่คำลังละโทมนสินสีใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลิงด้วยอนาคามิมักไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีแต่ไม่ใช่ไม่คำลังละโทมนสินสีบุคคลแปดจำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีแล้วก็ไม่ใช่คำลังละโทมนสินสี โทมนณสินทรียโมลกระในจบอนัญญาตัญญสามีตินทรียโมลกะในสยหกสห้าอนุบุคคลใดไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจรินอนญอันยินสีใช่ไหมวิพระหันตบุคคลไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยเจรินอนญอันยินสีบุคคลเจ็ดจพวกไม่ใช่กําลังเจริญอนัญ ญ, ญาตัญญสามีตินสี แล้วก็ไม่เคยเจริญอันยินสีปฏิบุคคลใดไม่เคยเจริญอันยินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิบุคคลที่แปดไม่เคยเจริญอันยินสีแต่ไม่ใช่ไม่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลเจ็ดจําพวกไม่เคยเจริญอันยินสีแล้วก็ไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีอนุ บุคคลใดไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยทําให้แจ้งอญญาตาวินสีใช่ไหมวิอะรหันต์บุคคลไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลเจตจําพวกไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีต right ินสแล้วก็ไม่เคยทำให้แจ้งอญญาตาวินสีปฏิบุคคลใดไม่เคยทำให้แจ้งอนญาตาวินสี <nói> บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิบุคคลที่แปดไม่เคยทําให้แจ้งอนญาตาวินรีแต่ไม่ใช่ไม่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลเจ็ดจำพวกไม่เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินรีและก็ไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีอนัญญาตัญญสามีตินทริยมูลกะในจบอัญญทริยมูลกะใน4ี่หสิบ อนุบุคคลใดไม่ใช่กําลังเจริญอัญญีสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินรีใช่ไหมวิอรหันตต่บุคคลไม่ใช่กําลังเจริญอัญญีสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินรีบุคคลหําพวกไม่ใช่กํำลังเจริญอัญญีสีแล้วก็ไม่เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินรีปฏิบุคคลใดไม่เคยทําให้แจ้งอัญญาตาวินรีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเจริญอัญญีสีใช่ไหม วิบุคคลสามจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมักไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีแต่ไม่ใช่คมากำลังเจริญอัญญินสีบุคคลห้าจำพวกไม่เคยทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีแล้วก็ไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินสีอัญญทรียะมูลกะในจบ จุปนานาคตะวาระอนุโลมจากขุนธริยะมูลกณัย467อ น, นุบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จากขุนสีบุคคลนั้นก็จักละโทมนสินสีใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดจักละโทมนสินสีบุคลคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จากขุนสี่ บุคคลนั้นก็จักเจริญอนัญญาตัญญสามีเตนสีใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญสามีเตนสีบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดกำลังกำหนดรู้จากขุนสีบุคคลนั้นก็จักเจริญอัญญสีใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดจักเจริญอัญญสี บุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดกําลังกําหนดรู้จากขุนสีบุคคลนั้นก็จะทําให้แจ้งอัญญาตาวินศีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดจะทําให้แจ้งอัญญาตาวินศีบุคล w, บคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิบุคคลเจ็ดจำพวกจะทําให้แจ้งอัญญาตาวินศีแต่ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนศี บุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตมักจากทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีแล้วก็กำลังกำหนดรู้จากขุนสีแจก้กขุนธริยมูลกะในจบโทมนัสินทริยมูลกะใน468อนุบุคคลใดกำลังละโทมนัสินสีบุคคลนั้นก็จากเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดจากเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสี บุคคลนั้นก็กำลังละโ RIGHT? ทมนสินสีใช่ไหมวิไม่ใช่อุบุคคลใดละโทมนสินสีบุคคลนั้นก็จักเจริญอัญญีสีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดจักเจริญอัญญีสีบุคคลนั้นก็กำลังละโทมนสินสีใช่ไหมวิบุคคลหกจาพวกจักเจริญอัญญีสีแต่ไม่ใช่กาลังละโธมนสินสีบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยอนาคามิมักจักเจริญอัญญีสี แล้วก็กําลังละโทมนณสินสีอนุบุคคลใดกําลังละโทมณสินสีบุคคลนั้นก็จะทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดจะทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็กําลังละโธมนณสินสีใช่ไหมวิบุคคลเจ็ดจำพวกจะทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีแต่ไม่ใช่กําลังละโทมนณสินสีบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยนาคามิมาก จากทำให้แจ้งอัญญาตาวินศีแล้วก็กําลังละโทมนาสินศีโทมนาสินทิริยะมูลกะในจบนนัญญาตัญยสามีตินทิริยะมูลกะใน469อนุบุคคลใดกํำลังเจริญอัญญาตัญยสามีตินศีบุคคลนั้นก็จากเจริญอันยินศีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดจากเจริญอันยินศี บุคคลนั้นก็กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิบุคคลหกําพวกจะเจริญอันยินรียแต่ไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลที่8ปดจะเจริญอันยินรียและก็กําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีอุบุคคลใดกําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็จะทําให้แจ้งอนญาตาวินทรีย์ใช่ไหมวิใช่ปฏิ บุคคลใดจักทำให้แจ้งอน ญ, ญาตาวินสีบุคคลนั้นก็กำลังเจริญอนันญญาตัญญสามตินสีใช่ไหมวิบุคคลเจ็ดจำพวกจักทำให้แจ้งอน ญ, ญาตาวินสีแต่ไม่ใช่กำลังเจริญอ น, น, ญรร 8, นอัญญาตัญญสามตินสีบุคคลที่8จักทำให้แจ้งอนญาตาวินสีแล้วก็กำลังเจริญอนัน ญ, รรอนญญาตัญญสามตินสีอนัญญาตัญญสามตินทรียมูลกกะในาจก อัญญินตริยมูลกะใน4ี่อเจดสอนุบุคคลใดกำลังเจริญอัญญินสี่บุคคลนั้นก็จะทำให้แจ้งอัญญาตาวินรีใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดจะทำให้แจ้งอัญญาตาวินรีบุคคลนั้นก็กำลังเจริญอัญญินรีใช่ไหมวิบุคคลห้าจำพวกจะทำให้แจ้งอัญญาตาวินรี์แต่ไม่ใช่กำลังเจริญอัญญินสีบุคคลสามจำพวกผู้พร้อมเพลิงด้วยอรหัตมัก จากทำให้แจ้งอัญญาตาวินซีแล้วก็กำลังเจริญอันยินสีอัญญนยิทริยมูลกะในจบปัจจนิกะจากขุนทริยมูลกะในส7 1อเจ็เอดอนุ บุคคลใดไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนศีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักละโทมนาสินศีใช่ไหมวิบุคคลห้าจำพวกไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนศีแต่ไม่ใช่จักไม่ละโทมนาสินศีบุคคลสี่จำพวกไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนศีแล้วก็ไม่ใช่จักละโทมนาสินศีปฏิบุคคลใดไม่ใช่จักละโทมนาสินศีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนศีใช่ไหมวิ บุคคลผู้พร้อมเพลี่ยนด้วยอรหัตมักไม่ใช่จักละโทมนสินสีแต่ไม่ใช่ไม่กำลังกำหนดรู้จากขุนสีบุคคลสี่จำพวกไม่ใช่จักรละโทมนสินสีแล้วก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขุนสีอนุบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขุนสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญ อ, อนัญญาตัญญาเมาตินสีใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดเป็นปุตุชนจักได้มัก บุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขุนสีแต่ไม่ใช่จากไม่เจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคล8จํจำพวกไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขุนสีแล้วก็ไม่ใช่จากเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีปฏิบุคคลใดไม่ใช่จากเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพยงด้วยอรหัตมัก ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสและม่ใช่นิคกาลังกําหนดรู้จากขุนสีบุคคล8จําพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสแล้วก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนสีอนุบุคคลใดไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนสบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอันยินสีใช่ไหมวิบุคคลเจ็ดจำพวกไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนสีแต่ไม่ใช่จักไม่เจริญอันยินสี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 บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิใช่จากขุนเริยโมลกะในจบธมณสินทริยะมูลกะในสี่ร้อยเ็ดสิบสองอนุบุคคลใดไม่ใช่กําลังละโธมะสินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเจริญอนัญญาตัญญสามีจินสีใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดเป็นปุ้ทุชนจากได้มักบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังละโทมะสินสี แต่ไม่ใช่จก Menschen, ักไม่เจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคล8ปดจำพวกไม่ใช่กำลังละโทมณสินสีแล้วก็ไม่ใช่จักไม่เจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีปฏิบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังละโทมณสินสีใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีแต่ไม่ใช่ไม่กำลังละโธมณสินสี บุคคล8ปดจำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีแล้วก็ไม่ใช่กำลังละโทมนณสินสีอนุบุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมณสินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินสีใช่ไหมวิบุคคลหกจำพวกไม่ใช่กำลังละโทมณสินสีแต่ไม่ใช่จักไม่เจริญอัญญินสีบุคคลสามจำพวกไม่ใช่กำลังละโทมนณสินสีแล้วก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญิ 4, er om om นสีปฏิ บุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอัญญีสีบุคคลนั้นก ne ็ไม่ใช่กำลังละโทมณศินสีใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดไม่ใช่กำลังละโทมนณศินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินรี์ใช่ไหมวิบุคคลเจ็ดจำพวกไม่ใช่กำลังละโทมนณสินสีแต่ไม่ใช่จักไม่ทําให้แจ้งอัญญาตาวินรีบุคคลสองจำพวกไม่ใช่กำลังละโทมณศินสี แล้วก็ไม่ใช่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินศีปฏิบุคคลใดไม่ใช่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินศีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังละโทมณสินศีใช่ไหมวิใช่โทมณสินทลิยะมูลกะในจบอนัญญาตัญญาสามีตินทรียมูลกะในศรีร้อยเจ็ดสิบสามอนุบุคคลใดไม่ใช่กําลังเจริญอนัญาตัญญาสามีตินศี บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญีสีใช่ไหมวิบุคคลหกจำพวกไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินีแต่ไม่ใช่จักไม่เจริญอัญญีสีบุคคลสามจำพวกไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินีแล้วก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญีสีปฏิบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอัญญีสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินีใช่ไหมวิใช่อนุ บุคคลใดไม่ใช่กาําลังเจริญอนัญญาตัญญสาเมีตินรียบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทําให้แจ้งอนญาตาวินสีใช่ไหมวิบุคคลเจ็ดจำพวกไม่ใช่กําลังเจริญอนัญญาตัญญสาเมีตินสีแต่ไม่ใช่จักไม่ทําให้แจ้งอนญาตาวินสีบุคคลสองจำพวกไม่ใช่ก <im> ําลังเจริญอนัญญาตัญญสาเมีตินรีแล้วก็ไม่ใช่จักทําให้แจ้งอนญาตาวินสีปฏิบุคคลใดไม่ใช่จักทําให้แจ้งอนญาตาวินสี บุคคลนั้นก็ไม่ใช่ําลังเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิใช่อนัญญาตัญญสามีตินทลิยะมูลกะในจบอันยินทลิยมูลกะใน474อนุบุคคลใดไม่ใช่กําลังเจริญอันยินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทําให้แจ้งอนญาตาวินสี่ใช่ไหมวิบุคคลห้าจำพวกไม่ใช่กําลังเจริญอันยินสี่ แต่ไม่ใช่จกักไม่ทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลสองจำพวกไม่ใช่คกาลังเจริญอัญญินทรีแล้วก็ไม่ใช่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีปฏิบ um ุคคลใดไม่ใช่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กาลังเจริญอัญญินทรีย์ใช่ไหมวิใช่อัญญทลิยมูลกะในจบ ปติตานกคะวาระอนุโลมจากขุนทริยมูลกะใน475อนุบุคคลใดเคยกำหนดรู้จากขุนสีบุคคลนั้นก็จักละโทมนสินสีใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดจักละโทมนสินสีบุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดเคยกำหนดรู้จากขุนสี บุคคลนั้นก็จะเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดจกเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็เคยกำเนิดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดเคยกำนเนิดรู้จากขุนสีบุคคลนั้นก็จะเจริญอัญญินสีใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดจกเจริญอัญญินสี บุคคลนั้นก็เคยกําหนิดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดเคยกําหนิดรู้จากขุนสีบุคคลนั้นก็จะทําให้แจ้งอัญญาตาวินศีใช่ไหมวิไม่ใช่ปติบุคคลใดจะทําให้แจ้งอัญญาตาวินศีบุคคลนั้นก็เคยกําหนิดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิไม่ใช่จากขุนเทียะมูลกะในจบทมณสินเทียะมูลกะใน สี่อนุบุคคลใดเคยละโทมนาสินสีบุคคลนั้นก็จักเจริญอนัญญาตัญญสามีจินสีใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดจักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็เคยละโทมนาสินสีใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดเคยละโทมนาสินสีบุคคลนั้นก็จักเจริญอันินสีใช่ไหมวิ บุคคลสองจำพวกเคยละโทมณสินสีแต่ไม่ใช่จักเจริญอัญญินสีอนาคามีบุคคลเคยละโทมนสินสีแล้วก็จักเจริญอัญญินสีปฏิบุคคลใดจักเจริญอัญญินสีบุคคลนั้นเคยละโทมนสินสีใช่ไหมวิบุคคลหกจำพวกจักเจริญอัญญินสีแต่ไม่เคยละโทมนสินสีอนาคามีบุคคลจักเจริญอัญญินสีแล้วก็เคยละโทมนสินสีอนุ บุคคลใดเคยละโทมนสินสีบุคคลนั้นก็จะทําให้แจ้งอนญาตาวินสีใช่ไหมวิอรหันตบุคคลเคยละโทมนสินสีแต่ไม่ใช่จักไม่ทําให้แจ้งอนญาตาวินสีบุคคลสองจำพวกเคยละโทมนสินสีแล้วก็จะทําให้แจ้งอนญาตาวินสีปฏิบุคคลใดจะทําให้แจ้งอนญาตาวินสีบุคคลนั้นก็เคยละโทมนสินสีใช่ไหมวิ บุคคลหกจำพวกจะทำให้แจ้งอน ญ, ญาตาวินสีแต่ไม่เคยละทมนาศินสีบุคคลสองจำพวกจะทำให้แจ้งอน ญ, ญาตาวินสีแล้วก็เคยละทโทมนาสินสีโทมนาสินทริยะมูลกะในจบอนัญญาตัญญสามีตินทริยะมูลกะในสี่ร้อยเจ็สิบเจ็ดอนุบุคคลใดเคยเจริญอ น, อนัญญาตัญญสาเมีตินสบุคคลนั้นจกเจริญอนันญญสีใช่ไหมวิ บุคคลสองจำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสแต่ไม่ใช่จากเจริญอันยินสีบุคคลห้าจำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีและก็จากเจริญอันยินสีปฏิบุคคลใดจากเจริญอันยินสบุคคลนั้นก็เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกจากเจริญอันญินสแต่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลห้าจำพวก จากเจริญอัญญีสีแล้วก็เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีอนุบุคคลใดเคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็จะทําให้แจ้งอนญาตาวินทรี์ใช่ไหมวิอรหันตบุคคลเคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีแต่ไม่ใช่จักทําให้แจ้งอนญาตาวินรีบุคคลหกจำพวกเคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีแล้วก็จักทาให้แจ้งอนญาตาวินรีปฏิ บุคคลใดจะทำให้แจ้งอนญาตาวินสีบุคคลนั้นก็เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกจะทำให้แจ้งอนญาตาวินสีแต่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลหกจำพวกจะทำให้แจ้งอนญาตาวินสีแล้วก็เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีอนัญญาตัญญสามีตินทรีมูลกะในจบอันยินทรีมูลกะใน 478อเจ็อนุบุคคลใดเคยเจริญอัญญีสีบุคคลนั้นก็จะทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดจะทำให้แจ้งอัญญาตาวินสีบุคคลนั้นก็เคยเจริญอัญญีสีใช่ไหมวิไม่ใช่อัญญตรียมูลกะในจบ เจเนะจากขุนธีย ا มูลกะใน479อนุบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จากขุนสีบุคคลนั้นไม่ใช่จักรละทมนาสินสีใช่ไหมวิบุคคลห้าจำพวกไม่เคยกำหนดรู้จากขุนสีแต่ไม่ใช่จักไม่ละทมนาสินสีนบุคคลสามจำพวกไม่เคยกำหนดรู้จากขุนสีแล้วก็จักไม่ละทมนาสินสีน permitir? ปฏิบุคคลใดไม่ใช่จักละทมนาสินสีน บุบคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิอรหันต์บุคคลไม่ใช่จักระโทมณศิ you know market market. Wow. นศีแต่ไม่เคยกำหนดรู้จากขุนสีบุคคลสามจำพวกไม่ใช่จักระโทมณศินศีแล้วก็ไม่เคยกำหนดรู้จากขุนสีอนุบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้จากขุนสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีจินศีใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดเป็นปุตุชนจักได้มัก บุคคลเหล่านั้นไม่เคยกำหนดรู้จากขุนสีแต่ไม่ใช่จักไม่เจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลแปดจำพวกไม่เคยกำหนดรู้จากขุนสีแล้วก็ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีปาิบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้จากขุนสีใช่ไหมวิอรหันตบุคคลไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสี แต่ไม่ใช่ไม่เคยกำเนดรู้จากขุนศีบุคคล8ปดจำพวกไม่ใช่จากเจริญอนัญญาตัญญาสมาตินีศและก็ไม่เคยกำหนดรู้จากขุนศีอุบุคคลใดไม่เคยกำเนิดรู้จากขุนศีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเจริญอัญญีศีใช่ไหมวิบุคคลห้าจำพวกไม่เคยกำหนดรู้จากขุนศีแต่ไม่ใช่จากไม่เจริญอัญญีศีบุคคลสองจำพวกไม่เคยกำหนดรู้จากขุนศีแล้วก็ไม่คคมใช่จากเจริญอัญญีศี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 บุคคล8ปดจำพวกไม่เคยกำหนดรู้จากขุนศรีแต่ไม่ใช่จักไม่ทำให้แจ้งอัญญาตาวินศรีบุคคลเหล่าใดเป็นปุตุชนจักไม่ได้มักบุคคลเหล่านั้นไม่เคยกำหนดรู้จากขุนศรีแล้วก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินศรีปฏิบุคคลใดไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินศรีบุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้จากขุนศีใช่ไหมวิอรหันตบุคคลไม่ใช <บ bes. S 2> ่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินศรี แต่ไม่ใช่ไม่เคยกำหนดรู้จากขุน4ีบุคคลเหล่าใดเป็นปุตุชนจากไม่ได้มักบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากทำให้แจ้งอัญญาตาวินศีแล้วก็ไม่เคยกำหนดรู้จากขุนศีจากขุนทริยะมูลกะในจบโทมนสินทริยะมูลกระในซี่ร้อยแปดสิบอนุบุคคลใดไม่เคยละโทมนสินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากเจริญอ น, อนัญญาตัญญสามีตินศีใช่ไหมวิ บุคคลเหล่าใดเป็นปุตุชนจักได้มักบุคคลเหล่านั้นไม่เคยละโทมนาสินสีแต่ไม่ใช่จักไม่เจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลหกจำพวกไม่เคยละโทมนาสินสีแล้วก็ไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีปาติบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลนั้นก็ไม่เคยละโทมนาสินสีใช่ไหมวิ บุคคลสามจำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญาสมาตินีสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยละโทมณศินีบุคคลหกจำพวกไม่ใช่จักเจริญอนัญญาตัญญาสมาตินีสีแล้วก็ไม่เคยละโทมณศินีอนุบุคคลใดไม่เคยละโทมณศินีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอันยินสีใช่ไหมวิบุคคลหกจำพวกไม่เคยละโทมณศินี 4, แต่ไม่ใช่จักไม่เจริญอันยินสี บุคคลสาจำพวกไม่เคยละโทมณสินสีแล้วก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินสีปฏิบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอัญญินรีบุคคลนั้นก็ไม่เคยละโทมณสินสีใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จักเจริญอัญญินสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยละทมนสินสีบุคคลสามจำพวกไม่ใช่จักเจริญอัญญินรีแล้วก็ไม่เคยละโทมนสินสีอนุ บุคคลใดไม่เคยละโทมนสินสีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอนยาตาวินสีใช่ไหมวิบุคคลหกจำพวกไม่เคยละโทมนสินสีแต่ไม่ใช่จักไม่ทำให้แจ้งอนยาตาวิน4ีบุคคลเหล่าใดเป็นปุ้ตุชนจักไม่ได้มักบุคคลเหล่านั้นไม่เคยละโทมณสินสีแล้วก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอนยาตาวิน4ีปฏิบุคคลใดไม่ใช่จักทำให้แจ้งอนญาตาวินสี บุคคลนั้นก็ไม่เคยละโทมนาสินสีใช่ไหมวิอรหันตบุคคลไม่ใช่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยละโทมนาสินสีบุคคลเหล่าใดเป็นปุตุชนจักไม่ได้มักบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักทําให้แจ้งอัญญาตาวินสีและก็ไม่เคยละโทมนาสินสีโทมนาสินทุรีมูลกะในจบอานัญญาตัญญาสมีตินทรรีมูลกะใน481 อ, อ น, two, นุบ nee ุคคลใดไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญาสมาตินีบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินีใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญาสมีตินีแต่ไม่ใช่จักไม่เจริญอัญญินีบุคคลเหล่าใดเป็นปุตุชนจักไม่ได้มักบุคคลเหล่านั้นไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญาสมีตินีแล้วก็ไม่ใช่จักเจริญอัญญินีปฏิบุคคลใดไม่ใช่จักเจริญอัญญินี บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกไม่ใช่จากเจริญอัญญินสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีบุคคลเหล่าใดเป็นปุตุชนจากไม่ได้มักบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จากเจริญอ네ัญญินสีและก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีอุบุคคลใดไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสี บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทําให้แจ้งอนญาตาวินสีใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีแต่ไม่ใช่จักไม่ทําให้แจ้งอนญาตาวินสีบุคคลเหล่าใดเป็นปุตุชนจักไม่ได้มักบุคคลเหล่านั้นไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสามีตินสีแล้วก็ไม่ใช่จักทําให้แจ้งอนญาตาวินสีปฏิบุคคลใดไม่ใช่จักทําให้แจ้งอนญาตาวินสี บุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสเมตินรีย์ใช่ไหมวิอรหันตบุคคลไม่ใช่จักทําให้แจ้งอนัญญาตาวินสีแต่ไม่ใช่ไม่เคยเจริญอนัญญาตัญญสเมตินรีบุคคลเหล่าใดเป็นปุตุชนจักไม่ได้มาบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักทําให้แจ้งอนัญญาตาวินสีแล้วก็ไม่เคยเจริญอ น, า น, านัญานานญาตัญญสเมตินสีอนัญญาตัญญสเมตินทรียะมูลกะในจก อัญญทรียมูลกะใน482อนุบุคคลใดไม่เคยเจริญอัญญรี 4, บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินรีใช่ไหมวิบุคคลแปดจำพวกไม่เคยเจริญอัญญรี 4, แต่ไม่ใช่จักไม่ทำให้แจ้งอัญญาตาวินรีบุคคลเหล่าใดเป็นปุตุชนจักไม่ได้มักบุคคลเหล่านั้นไม่เคยเจริญอัญญสี 4, แล้วก็ไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินรีปฏิ บุคคลใดไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินศรีบุคคลนั้นก็ไม่เคยเจริญอัญญินศรีใช่ไหมวิอรหันตบุคคลไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินศรีแต่ไม่ใช่ไม่เคยเจริญอัญญินศรีบุคคลเหล่าใดเป็นปุทุชนจักไม่ได้มักบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักทำให้แจ้งอัญญาตาวินศรีและก็ไม่เคยเจริญอัญญินศรีอัญญทลียมูลกะในจบปริญญาวะจบ อินทรียะยะมะกะจบยะมะกะปะกรจบ